หนึอปัติปฏิกรรมวิธีว่าโดยวิธีแก้ไขอาบัติเรื่องภิกษุต้องอาบัตในวันปวารณาข้อสองสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตในวันปวารณานั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีอาบัติติดตัวไม่พึงปวารณาดังนี้ ก็เราต้องอบัตแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรเนาะพิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นภิสูจต้องอบัตพิสูจน์นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงชี้เวงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยงกระนมเองกล่าวอย่างนี้ว่าผมต้องอบัตชื่อนี้ขอแสดงคืนอบัตนั้นขอรับ ภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่าขอรับผมเห็นภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่าท่านพึงสำรวมต่อไปเรื่องภิกษุไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวันปร w รณานั้นภิกษุมีความไม่แน่ใจในอาบัตภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมือกล่าวอย่างนี้ว่า กระผมมีความไม่แน่ใจในอาบัตชื่อนี้ขอรับเมื่อผมหมดความไม่แน่ใจจะทำคืนอาบัตนั้นแล้วปรวรรณาแต่ต้องไม่ทำอันตรายต่อปรวรรณาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัย